การแสดงทำลึกตื้นหยาบละเอียดมากน้อยเพียงไรจรึงมีแต่ของจริงล้วนล้วนผู้ฟังจริงบูดดึงขณะที่ฟังก็เป็นภาคปฏิบัติไปในตัวจิตใจได้รับความสงบเยอเือกเย็นในขณะที่ฟังและได้อุบายแต่แปลกต่างๆในขณะที่ฟังจิตใจเพลิดเทินต่อการสะดับจับฟังไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นผู้มีความมุ่งหวังต่อ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 ลงสู่ความพยายามของผู้ปฏิบัติธรรมให้ต่างคนต่างมีแก่จิตแก่ใจในอบรมมีสมัยปัจจุบันก็เป็นเช่นนั้นยิ่งผู้ปฏิบัติได้พากจากท่านไปสู่สถานที่ต่างๆบางทีเดือนหนึ่งก็มีสองเดือนก็มีกลับมา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 เล่าถวายท่านแล้วถ้าท่านเริ่มเทศคือส่วนที่เล่านะั่นไม่ได้มาเล่าในะที่ชุมนุมทนเวลามาถึงแล้วก็ไปหาท่านโดยเฉพาะท่านก็แก้กตตอนนั้นตอนหนึง่งในจุดที่ควรแก้นในระยะนั้นจุดไหนที่จะควรเป็นประโยชน์แก่สาธารนณะ ท, ทั่วไปท่านก็อธิบายตอนประชุมเนี่ยตอนที่น่าฟังมากบรรดาผู้ที่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 มีธรรมชาติธรรมชาติที่อาศัยกันอยู่เท่านั้นเหมือนันจดหมายของหลวงพ่อที่มีมาวันนี้เองในเรื่องกิเลสก็ไม่มากคนก็โกงไปโกงมาทำก็เป็นธรรมของจริงเมื่อแสดงออกไปมากน้อยเพียงไรก็เป็นที่ทราบซึ้งสําหรับผู้ฟังโดยลๆๆๆๆําดับกําลาเมื่อฟังแล้วก็ออกไปกระเพิ ป, ปฏิบัติ ต, ตามมาฐานที่ต่างๆที่เห็นว่าเหมาะสมแก่การบําเพ็ญของตน ต, ตามจดินณิ ส, สัยเมื่อเกิดข้อข้องใจอะไรมาก็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 เทศอย่างถึงใจเพราะท่านท่านเทศท่านออกมาอย่างถึงใจผู้ฟังก็ถึงใจจิตใจมันพองขึ้นเหมือนกับว่าท่า น, นิพพานนะ่ะเอื้อมถึงอยู่ในขนานั้นในขณะท่านเทศท่านเปิดทางให้มองเห็นอยู่แต่มันไปไม่ได้เหมือนกับเอื้อมมือถึงอยู่แต่จับไม่ได้เป็นลักษณะนั้นเนี่ยการเทศออกมาจากความรู้จริงเห็นจริงผลจึงมีความต่างกันอยู่มาก พระพุทธเจ้าทรงสแสดงเองก็เป็นอย่างนั้นบรรดาสาวกสแสดงก็เป็นอย่างนั้นเพราะท่านก็รู้จริงเห็นจริงเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าตามภูมิของท่านแต่เรื่องสัจธรรมนั้นเป็นความแจงแจ้งสมบูรณ์เต็มที่ภายในจิตใจถึงกับขั้นพระอรหันต์แล้วต้องเป็นผู้สมบูรณ์เต็มที่การแสดงธรรมออกจากความจริงทั้งหลายดังกล่าวนี้จึงสแสดงได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มธรรมเต็มใจ ไม่มีสงสัยไม่มีสะทกสะทานว่าอันนั้นน่าจะถูกอันนี้น่าจะผิดไม่มีในกิจของพระสาวกอรหัาานทั้งหลายเพราะท่านรู้จริงเห็นจริงยางแจ่มแจ้งไม่มีอะไรสงสัยการจะได้ออกจะเป็นประเภทใดก็ตามแห่งธรรมทั้งหลายสมาธิก็แจ้งได้อย่างละเอียดละออเผยแสดงให้ถึงฐานของสมาธิปัญญาทุกขัน้นแสดงให้ถึงฐานของปัญญาขั้นนั้นๆจนกระทั่งถึงขันน้นนิมุตติทน แสดงออกมาจากใจจริงที่รู้จริงเห็นจริงแล้วจริงแสดงออกมาผู้ฟังก็สามารถจะเข้าใจได้แม้จะยังไม่ละละถอนยังมาน่าก็ตามแต่ก็เป็นเครื่องปลูกศรัทธาความเชื่อความลมใสหรือความตั้งมัน่นภานกิจใจให้แน่หนามัม่นคงยิ่งขึ้นโดยลำหนักลำหนักนี่ถึงตักตวงอามมรคนิพพานกันเรื่อยๆเล ย, เลยนั่นสมัยนั่นเป็นสมัยตักตวงอามมรคนิพพาน เนสมัยตักตวงข้อวัดปฏิบัติการบำเพ็ญ เ, เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มพรติกำลังผลที่จะพึ้มได้ครับจึงเป็นเช่นนั้นสมัยของพวกเรานี่เป็นสมัยลูกคำรูกนั่นคำนี้คำไปคำมาก็ได้แต่เครื่องโศสโครกโสมมเต็มหัวใจสิ่งที่จะเป็นอัดเป็นทำพอเป็นเครื่องถอดถอนกิเลสไม่มีมีแต่เครื่องพอกพูนกิเลสเดียนมากน้อยกว่าตามจะอะไรก็ตามมีแต่เรื่องพอกพูนกิเลสทั้งนั้นมันตรงกันข้าม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 ทำรร ม, มากก็สักแต่ว่าทำจะมีอยู่ในตู้ในหีบกัมพร์ไบรลันท่านแสดงไว้ถ่ายก็มีอยู่อย่างนั้นถ้าคนไม่รู้ที่ปฏิบัติให้เป็นไปเรื่องของกิเลสก็อยู่กับหัวใจของคนไม่อยู่กับตําหน่งตาลาอันนั้นมีแต่ชื่อของกิเลสตัญหาอาสวะชื่อของมรรคผลนิพพานตัวกิเลสอาสวะจริงๆแนละตัวมรรคผลนิพพานจริงก็คือใจอยู่กับบุคคล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 มันอยูที่ใจของเราด้วยกันพากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติคําว่ากิเลสถ้ามเมื่อมันเป็นตัวของเราเราเป็นกิเลสกิเลสเป็นเราแล้วมันก็ไม่น่ากลัวไม่น่าขยะแขยงแต่ถ้าแยกกิเลสเป็นประเภทอันหนึ่งขึ้นมาเช่นเป็นฆาตศึกต่อเราเอา้าเราชำระกิเลสหรือว่าฆ่ากิเลสเอา้ากิเลสตัวนี้ก่อตายความโลภ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 เวลานี้จะตายเนี่ยมีลวดลายของมันเป็นนีรูปลักษณะของมันเป็นนี้ประกาศให้โลกมาดูใครต้องตัวกันทั้งนั้นท erm ีเดียวถามว่ามันเป็นรูปเป็นล่างอย่างนั้นเอาความโกรธความโกรดนี่คือคือภไยทั้งกองทีเดียวอ่แล้วรูปล่างของความโกรธนี่มันเป็นอย่างนั้นตัวมันเป็นอย่างนั้นเราหูหางกลางตัวเป็นนี้เขี้ยวเป็นงั้นลวดลายมันเป็นอย่างนี้ความโกรธเป็นลักษณะอย่างนี้นี่เวลานี้ตายแล้วเนี่ยหามมาทิ้งไว้นี่อ้าวประกาศโลกให้มาดู ตัวเนี่ยตัวร้ายกาศที่สุดโลกพิ่หน้าที่หายได้เพราะตัวโกรธนี้เวลานี้ได้ฆ่าแล้วใครต้องการจะฆ่าให้ฆ่าตัวนี้มันมันร้ายกาศมากถ้าต่างคนต่างมาเห็นแล้วก็จะเห็นเป็นภัยขึ้นมามีอยู่ภายในจิตใจต้นก็กลัวก็ขยะขยะแขงแล้วมีทางที่มีใจใจพอใจที่จะถอดจะถอนจะฆ่ามันมความโลคความโกรธความหลงทั้งสามอย่างนี้เป็นอารลพิษตัวร้ายกาศที่สุดในโลกทั้งสาม เมื่อแยกออกมาเป็นตนเป็นตัวแล้วเรียกว่าเป็นจอมโลกผู้บังคับบัญชาผู้ทําคนให้รบราค่าฟันกันทําความพินาศขี้หมาให้แต่โลกก็คือตัวภัยสามกองพลนี่แหละวะใครก็ต้องตัวกันทั้งนั้นถ้าเราแยกตัวของมาขีเด็เออกมาได้อย่างนี้แต่เมื่อขิเด็เป็นตัวของเราแล้วเป็นเราเป็นของเราเราไม่สามารถจะแยกได้เราก็ขี้เด็ก็อยู่ด้วยกันได้สนิท สบายโลกวันนังคําจะเอาให้ตายกับความโลภ ก, ก็ได้พอใจจะโลกโกรธก็ตาดำตาแสดงก็โกรธได้ทั้งนั้นนะ่ะพอใจจะโกรธหลงจะไม่มีวันตื่นเลยนี่มันก็หลงได้เพราะมันเป็นเรื่องของเราเสเองเรายึดว่าเป็นเราเสเองมันก็เห็นมีอะไรเป็นภัยทั้งๆที่มันเป็นภัยแกตัวอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีอยู่ภายในจิตใจของเรา ข, ข, ขึ้นขึ้นวันที่เละแล้วมันเป็นภัยแ้วกันก็ตางแต่เราก็ไม่เห็นว่ามันเป็นภัยก็อยู่ด้วยกันได้นี่เอาเกิดก็เกิดจะว่างไง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 มันเป็นลูกของเสือทั้งนั้นแหละอแม่มันไปพาเป็นเสือลูกพ่อพาเป็นเสือลูกมันจะเป็นอะไรถ้ามันเป็นเสือข้ามันไปเรื่อยๆหนึ่งใหเราเห็นทวดั้างมันนี้แยกกันออกนี่อุบายของสติปัญญาจะแยกเรื่องที่เด็กกับตัวออกต้องแยกอย่างนี้หาอุบายพลิกแทงเปล่งแปลงหลายแง่หลายกระทงมันก็ทันกันเองถ้าเราไม่หาอุบายอะไรเลยเราที่เด็กก็กอดคอกันตายตลอดกับตลอดกันไม่มีธนวัฒนามตะโคหมายถึงว่าไม่ มีต้นไม่มีปลายไม่ทราบว่า ías, ต้นทางอยู่ที่ไหนปลาทางไหนวนเยียนกันอยู่เหมือนกับมดตายขอบดงวนไปเยียนมาตายไปแต่มาหาทางออกไม่ได้เรื่องวัฏฏะสงสารกับหัวใจของเรามันก็วนไปเยียนมาอย่างนั้มาแล้วก็มาตื่นแต่ของเก่าล่ะเกิดเท่าไรก็ว่าต้นไม่ได้เกิดตายแล้วก็ยังไม่ยังไม่เข้าใจว่าตนเคยตายเคยทุกข์เคยลําบากเรื่องของตัวแท้มันก็ไม่ทราบเรื่องของตัวก็คือเรื่องของกิเลสเนี่ยเป็นตัวไผ่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 มีมานะภาในจิตใจที่จะแก้มันก็แก้ไปได้โดยลําดับลำดับอต้องมีความเข้มแข็งพระพุทธเจ้าเป็นแนวหน้าแห่งนักรบอสาวกอรหันเป็นแนวหน้าเป็นลูกนักรบพูนยง่ายเราก็เป็นพุทธบริษัทก็ลูกของนักรบอเราอยากให้เป็นนักรบให้เป็นนักรบไปเรื่อยสู้กันไปเรื่อยไม่ถอย เราสู้เพื่อใชยชนะยกเราเพื่ขึ้นจากหลงลึกจะยากลํำบากยกจนขึ้นเราไม่ยกใครจะยกเราไม่ถอนใครจะถอนน้ำยกเท้าเราเราไม่ถอนออกใครจะมาถอนให้ความเจ็บเป็นของเราเป็นเราผู้เจ็บถอนต้องเป็นเรื่องของเร า, าผู้ถอนที่เดือเจ็ดการจิตใจก็คือจิตใจเราถูกเสียดแทงอยู่วันนั่งค่าคืยนยังรุ่งเป็นของดีเมื่อไหร่เราพยายามถอดถอนออกโดยลํำดับลําดับสติปัญญาผิดขึ้น หาอุบายพลิกแปลงแปงแปลงสติปัญญาเป็นสิ่งที่พูดได้พิจารณาได้ต้องพิจารณาขึ้นมาค้นขึ้นมาให้เกิดอุบายปัญญาต่างๆแตกแขนงไปวันย่างคำอุบาจารย์จะเป็นแต่เพียงพูดเนะให้คือท่านยื่นให้ปัญญาก็ยื่นให้ทั้งดุ่นเราจริงเอาปัญญาที่ท่านแสดงนั่นไปแจงออกโดยลําดับลําดาบแตกแขนงไปนั่น่ะเป็นอุบายของเรา แล้วกินวันยังค่าไม่หมดกินตลอดไปก็ไม่หมดถ้าสิ่งใดที่เราผิดขึ้นได้เองส่วนที่ไปหยิบยืมเข้ามาถ้ายแลมันหมดบางทีดูดจีนดุดมือแต่เสียหายกระจายไปก็มีถ้าเราผิดขึ้นมาได้เนยไม่เป็นไรอ่าอันนี้หมดเอาผิดขึ้นมาอันนี้แตกไปผิดขึ้นมาผิดขึ้นมาเรื่อยๆเมือ่อคนมีปัญญาแล้วไม่จนกรอบวิเลทพาให้คนจนจนกรอบจนมุมปัญญาไม่พาให้จนกรอบมุมเป็นพูท แทงทะลุปูปลงไปได้เพราะหนาาของปัญญาท่านจึงชมนติปัญญาสมาอาภานานทาสิท่านก็ว่าแสงสว่างจางเสมอโดยปัญญาไม่มีปัญญานี้แทงทะลุเข้าไปหมดไม่ว่าข้างบนข้างล่างอดีตอน า, นาคตปัจจุบันข้างในข้างนอกหยากละเอียดของขี้เล็ดความมืดดำอยู่ที่ไหนคือขี้เล็ดอยู่ที่นั่นปัญญาแทงเข้าไปจนทะลุ ป, ปูปลงขี้เล็หาที่หยุดช่อนไม่ได้ ถูกค่าทุกวันทุกวันทุกวันเราไม่สั่งสมมันขึ้นมามีแต่ค้นคุยเฉียหามาห้ามตลอดแต่ที่เหลก็มอบลงไปเอาฆ่าลงไปค้นขึ้นมาค่าเรื่อยอีกฆ่าโดยตาปัตธรรมเผาโดยตบปัตธรรมตบปัธรรมคือความเพียนเครื่องแผละเผาวิเลศเผาให้มันคิดหาโดยลำหดับลำหดับกวิเลศมันจะตั้งบ้านตั้งเมืองที่ไหนอี่์มันจะเอาลูกท้าเราก็มาที่ไหนเมื่อถูกฆ้าวันหนึ่งมันหลายตัวหลายๆ ชนิดแล้วมันก็หมดไปหมดไปผลสุดท้ายก็ไมีกิเลสตัวใดเหลืออยู่ภ า, ายในจิตใจใจก็สว่างกระจ่างแจ้ ง, งตามธรรมชาติของตนฉายแสงออมายอย่างน่าอาศัศจรรย์ น, นี่อำ น, นาจแห่งธรรมแสดงเต็มที่แล้วอํนนานาจของกิเลสแสดงความมืดดำเราเห็นอยู่ทุกวี่ทุกวันทุกพบทุกข่าดและรับความทุกข์ทรมานไม่ใช่เพราะอะไรเพราะกิเลสเท่านั้นการทําระกิเลสแม้จะหนัก หรือลำบากเป็ไงจริงเป็นงานที่ควรอย่างยิ่งซึ่งเราจะต้องทำเพื่อยกตนทังเราเพราะเรามีคุณค่ามีน้าหนักมากยิ่งกว่าความลําบากในการถอดตอนที่เหลือซะอีกนี<ม>่ยเราก็ต้องเพยอย่างถากขันพิจารณาให้ดีแยกแยะให้ละเอียดก็อ้อจะกจี่ครั้งกี่หนกี่ตระดทบทวนก็ตามแยกทำมันเห็นชัดเจนเอาจนทํานิทํานานเอาชำนิํนานา น, นานแล้วย่างไม่ได้เอาจนกระทั่งรู้จนกระทั่งปล่อยวาง รู้จริงเห็นจริงเนี่มันปล่อยเองวางเองไม่ต้องบอกก็ปล่อยถ้ารู้แล้วเช่นเดียวเราก็าจับอัศรพิษขึ้นมาเข้าใจว่าเป็นอาหารพอทราบอัศรพิษทนั้นมันสลักทันทีเลยเนี่ยปัญญาเมื่อได้เห็นจริงในสิ่งที่เป็นพิษเป็นไทยแล้วมันก็สลักปล่อยเองอจิตใจปัญญามันผู้เบิกทางให้เป็นผู้ชี้แจงว่าอันนี้ผิดอันนี้ถูกพอใจทราบนั้นมันก็ปล่อยเองปล่อยเองปล่อยเอ ง, อเองโดยลําดับลำดับนี่การปล่อยอุปทานก็คือการปล่อยภูเขาทั้งโลกที่มันทับหัวใจอยู่ ของเราอยูนั่นเองภูเขานี้ได้แต่กิเลสมากหรือน้อยก็เท่าตัวของเราเนี่ถอดถอนหมดแล้วก็หมดภายในใจของเราเนี่ท่านบอกบร ม, มสุขที่มันเป็นบรมไม่ได้ครับคือเรื่องของกิเลสเท้งนั้นเองเป็นเครื่องกดถ่วงลด ร, ราคาลดคุณค่าของใจใจทั้งดวงแล้วไม่มีคุณค่าเพราะเอาสิ่งที่ไม่มีคุณค่าซึ่งครอบอยู่หัวใจไม่ออกหมด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 ขาดปัญญาของเราให้ขาดจิตใจของเราให้มีความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นด้วยอำนาจของปัญญาที่แทงทะลุ ป, ปูวงตามความจริงทั้งหลายที่มันแสดงตัวอยู่รอบตัวของเราเนี่ยนะแล้วอะไรจะคิดหายที่นีเห็นจริงต่างอันต่างจริงด้วยกันแลนะไม่มีอะไรคิดหายเอาทาตลงไปอยากลงไปดินก็เป็นส่วนที่ดินไม่ต้องบอกมันก็เป็นน้ำมันส่วนที่เป็นลมเป็นไฟมันก็เป็นไปตามธรรมชาติของมันไม่ต้องบอกมันก็เป็นมันเราไม่ต้องไปปรุงไปแต่งมัน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 ทางอันต่างจริงแค่จิตก็ผ่านไปเลยหมดตั้งหมดอา น, นาฬโยอย่างเต็มภูมิมีเรียกว่าอะนุปาทิเสส า, านิพานสนับสมมติไว้ให้เต็มภูมิของส ม, มตุติวิ ม, มุติไปเต็มภูมิของวิ ม, มตุติไม่ต้องมาเกี่ยวข้องกันอีกเหมือนอย่างเวลาที่ครองทาาขังอยู่นี่แหละการปฏิบัติธรรม ผลที่จะพึงได้รับขั้นสุดยอดเป็นอย่างนี้ความลำบากลำบนมากน้อยเพียงรนั้นเป็นอุปกรณ์หรือเป็นเครื่องอุดหนุนจิตใจให้กล้าขึ้นมาสู่ระดับระดับจนกระทั่งถึงระดับสุดยอดอเพราะฉะนั้นความลำบากลำบนไรจรึงไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะควรอิหนาละอาใจเพราะเป็นเครื่องหนุน ล, ลำบากก็ลำบากเพื่อหนุนจะเป็นอะไรไปเอาให้หนักมือม ที่เกียรติาเกิดกุชลาทำมาพินี้ไม่หยุดไม่ยัง้งเอาสร้างกุศลาภายินจิตใจให้พอกุศลาทำมาแปลว่าความฉลาดหาอุมายความฉลาดแก้จิตใจตัวเองได้เป็นพออตายแล้วข้าจะา ก, กุชลาไม่กุชลาไม่เห็นมีปัญหาอะไรเราสร้างกุศลารอบจิตใจของเราแล้วเป็นพอถามว่าจิตนี้มันยั ง, งโง่อยู่ยังไม่รู้พรหน้ารู้หลังอะไรเลยกักุศลาทำมา อ, อะไรกับเท่าเดิมมัน ให้เราสร้างกุศลาธรรมะอกุศลาธรร ม, มาอันไหนไม่ดีอากุศลาธรร ม, มาความโง่ ก, กําจัดออกไปความโง่คือกิเลสฮะกุศลาธรร ม, มาคือความฉลาดปัญญาขัดกันลงไปถูกันจนมัน่องสายด้วยบริสุทธิ์เต็มที่นั่นแต่ว่าอัปยาคตาธรรมาก็ได้มันหมดแล้วเรื่องบุญเรื่องบาปภายในจิตใจเราแยกไปได้ถึงปรมัตธรรมคำว่าอัปยากตาธรร ม, มาเป็นจริงกลางๆธรรมดาไม่ตป็นบุญบาศ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 ถอดถอนกิเลสตัวนั้นได้กิเลสตัวนีไ้นได้เป็ น, นลาดับลำดับเป็นความเพลิดความเพลินยิ่งถึงทำขั้นสูงท่านเรียกว่าอุทัศจักความฟุม้งคือเพลินไม่ใช่นั่นจิตมันไม่ใช่มันฟุ้งไปแบบโลกแบบลิงสารนะคือมันเพลินต่อการคิดพิจารณาเพลินต่อการถอดถอนกิเลสชนิดต่างๆด้วยปัญญา ลืมหลับลืมนอนลืมเข้าที่สมาธิภาวนามีแต่ปัญญาหมุนตัวเป็นเกลียวอยู่เป็นความเพลินท่านเรียกวอุดทัศนจะพอพ้นจากนันแล้วมันก็หมดปัญหามันหมดหมดเรื่องแล้วก็สบายะละยิติเกลื่อนตันี้